การอยู่ด้วยกันเป็นจํานวนมากยอมเป็นสิ่งไม่สะดวกต่อการบําเพ็ญเพราะการบําเพ็ญเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนมากการอยู่ร่วมกันเป็นเรื่องที่ยากมีการกระทบกระเทือนกันได้ง่ายแสดงออกง่าย มีหมู่เพื่อนกับมาเป็นจานวนมากมาอยู่ด้วยกันต่างสำนักต่างทีมต่างฐานแต่ก็ยังดีที่อยู่ในแวดวงแห่งการปฏิบัติมันเหมือนกันไม่ขัดกันมากการอยู่ด้วยกันมากทุกสิ่งทุกอย่าง ต้องอุดาดหน่วยนายควรจะเร็วก็เร็วไม่ได้เหมือนรถบรรทุกของหนักไม่ได้คล่องตัวเหตุที่ว่ามันลำบากก็เพราะว่าสติปัญญาของเราไม่ทันสิ่งที่เป็นค่าสึกต่อเราแล้วกลาเป็นค่าสึกต่อคนอื่นมันมีอยู่ภายใน สติปัญญาไม่ทันถ้ามีสติมีปัญญาคอรมัดระวังภายในจิตใจของตนอยู่เสมอการแสดงออกแต่ละอย่างของ ส, สิ่งที่เป็นค่าสิทธ์ต่อธรรมย่อมจะทราบได้ทุกระยะระยะที่แสดงออกและไม่มองสิ่งอื่นจิงใดมากไปยิ่งกว่ามองจุดแห่งเหตุที่จะเกิดหรือเกิดขึ้นอยู่เสมอภายในจิตขงตัวเอง นี่เป็นหลักสำคัญมากในการปฏิบัติเพื่อจะกำจัดกิเลสสิ่งที่ทำให้เป็นโทษเป็นทุกข์แก่ตนเองและผู้อื่นจึงต้องระวังกันคำว่ากิเลสนี้เป็นศัพท์เป็นคำพูดทางศาสนาคือสิ่งที่เป็นค่าสืบต่อความดีงามทั้งหลาย น่เป็นสิ่งที่กีดขวางต่อความสุขความจเจริญทั้งภายในภายนอกไม่นอกเหนือไปจากสิ่งนี้เลยแต่ไม่ทราบเรื่องของมันได้ไง่ายถ้าไม่ใช้การพิสูจน์ด้วยหลักธรรมของพระพุทธเจ้านำมาสอดส่องมองดูอยู่เสมอแต่เพราะอย่างยิ่งนักปฏิบัติต้องเป็นผู้สอดส่องมองดูเรื่องของตัว คือใจนั้นอยู่เสมอใจนั้นแลเป็นที่อยู่ทั้งฝ่ายกิเลสและธรรมมีอยู่ที่จุดเดียวกันแต่ส่วนมากกิเลสเป็นเจ้าอานาจเคยครองหัวใจมาเป็นเวลานานแล้วจึงเป็นสิ่งที่มีความเด่นมากทุกอาการที่แสดงออกยิ่งกว่าธรรมะที่จะแสดงออกได้บ้างเล็กเล็กไม่น้อ ย, อ ย, อยเมื่อยังไม่มีความสามารถไม่มีกําลังพอ เพราะการปฏิบัติยังไม่เฉียบฉลาดพอกับสิ่งที่จะควรรู้ควรเห็นนี่เป็นหลักสำคัญของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงได้แสดงออกได้ง่ายทำลายได้ไดเร็วทำลายตัวเรานั่นแหละไม่ได้ทำลายอะไรผู้ปฏิบัติจึงควรสนใจให้มากสมกับหน้าที่ของตนที่มาบวช เว้นกิดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วในบรรดาคารวาดเขาจัดเขาทำกันชีวิต จ, จิตใจมอบไว้กับชาวโลกปัจจัยทั้งสี่กีวรนเครื่องนุ่งห่มมินทบาทอาหารทุกประเภทสำหรับหล่อเลี้ยงร่างกายให้ชีวิตเป็นไปเพื่อการมันเป็นสมามารถทำได้ด้วยความสะดวกสบายที่อยู่ที่อาศัยยาแก้โรคแก้ภัย มีพระมูลอยู่แล้วสิ่งเหล่านี้ไม่บกพร่องความบกพร่องอันอย่างแท้จริงก็คืองานของเราที่จะให้เป็นไปตามหน้าที่นี้รู้สึกว่าบกพร่องอยู่กรหม่ำเสมอมาไม่ค่อยจะมีเวลาสมบูรณ์ได้งานของเราคืออะไรงานแก้กทิเลสตัญหาอาสวะด้วยความภาคเพียร มีสติปัญญาเป็นสําคัญที่ทำกับงานนั้นนี่คืองานของนักบวชงานของผู้ปฏิบัติที่เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่ส่วนมากงานนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์งานนี้ไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยพ้ามีสิ่งมาคอยแบ่งเอาไปจิ้อยู่เสมอถ้าเป็นต้นไม้ทอปลูกขึ้นก็ถูกอะไรอะไมากัดกัด เ, เ, เรื่อยๆจนกรีใบออกไม่ได้ แล้วจะมีความวงดงามขึ้นเป็นดอกเป็นผลได้อย่างไรสมรธรรมของผู้บำเพ็ญที่ไม่มีสติไม่มีปัญญาเป็นความอ่อนแอท้อแท้เลียวไหลย่อมเป็นที่เปิดทางให้สิ่งที่เป็นฆาสศึกเข้ามาทำอันตรายได้อย่างง่ายดายการเปิดทางนี้ นักปฏิบัติมักเปิดอยู่เสมอโดยเจ้าตัวไม่รู้ไปรู้แต่ว่าตนททำความเพียรความเพียร น, นั้นก็เป็นไปกับด้วยสิ่งเหล่านี้ค่อยแทรกสิงกินของดีอยู่ภายในโดยไม่รู้สึกตัวอีกเช่นเดียวกันถือเมื่อไรนั่นแหละคือเปิดช่องเปิดทางให้ฆ่าสึกเกิดขึ้นทำลายตัวเองใรับสิ่งสัมผัสภายนอกรูปเสียงตลินรสเครื่องสัมผัส เข้ามาสู่ภายในก็อาศัยอารมณ์ภายนอกนั่นแหละเป็นสื่อเป็นเหตุแล้วกว้านเข้ามาทําลายตนเองเหล่านี้ล้วนแด้ตั้งแต่ความไม่มีสติทั้งทั้งที่ประกอบความภาคเพยียรอยู่นั่นแหละมันก็ออกไปเจาะแสวงหาคาศึกหายาพิษเข้ามาเผาร้นตนเองให้ได้อยู่ต่อหน้าต่อ ต, อตามีการปฏิบัติที่เรามักเปิดเ่องเปิดทางอยู่เสมอโดยทั่วไปของผู้ปฏิบัติ ที่ยังไม่สามารถทันกับเหตุการณ์ตรงนี้มักเป็นด้วยกันทั้งนั้นจึงต้องได้เตือนไว้ให้ทราบด้วยกันทุกคนทุกรายทําอะไรก็ตามสติอย่าได้ปราศจากสิทของตนอย่างน้อยให้มีความรู้สึกตัวอยู่ทั่วอวัยวะที่เคลื่อนไหวจากนั่นทนํานี้ให้มีความรู้สึกตัวอยู่นี่เรียกว่าสัมปัชฌัญะ สติจ่อลงไปจุดนั่นจุดนี้เรียกว่าสติการจะปฏิบัติตนให้มีความก้าวหน้าต้องระวัตระวังสิ่งที่เป็นข่าศึกและต้องบำรุงสติเข้มแข็งในทางความภาคเพียรอย่าลดละปล่อยวางอย่าเห็นจริงใดว่าเป็นของเลิศของประเสริฐยิ่งกว่าธรรมที่จะนำเราให้พ้นจากทุกทุกไม่ใช่ของดีแม้สัตว์ดีฉันก็ กลัวกันทั้ ง, งนั้นอย่าว่าเป็นเพียงมนุษย์หรือเป็นมนุษย์เราว่ามีความฉลาดกว่าสัตว์จะกลัวความทุกข์นั่นเลยสัตว์ดีฉานเขายัางตัวมีเราเป็นผู้เห็นภยัยบวชมาด้วยความเห็นภยัยปฏิบัติเพื่อความเห็นภยัยทําไมจึงไม่เห็นไผ่ ท, ทั้งทั้จิตภัยมีร อ, รอบอยู่ภายใน จ, ใจิตใจทุกขณะที่จิตคิดออกมาเป็นเรื่องของภัยทั้งนั้น ถาไม่ได้จดจ่อต่อเนื่องกันด้วยความเพียรให้รู้กันอยู่ทุกระยะแล้วภัยจะต้องมีอยู่รอบด้านตลอดการทุกเมือ่อภายในจิตของผู้ปฏิบัติคือนักบวชของเรานั่นแหละทห้เพึงทราบอย่างนี้ไว้เสมอการปลุกิจก็คือการปราบปรามต่อสู้กับสิ่งที่มีอำนาจบังคับจิตอยู่นั้นท่านให้ชื่อว่ากิเลส แยกประเภทนั่นแยกประเภทนี้ก็ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นกิเลสด้วยกันท่านบอกส่วนใหญ่ๆไว้ว่าความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหานี่เป็นประเภทใหญ่ๆส่วนปรียบย่อจริงการสาขาของกิเลสแต่ละประเภทประเภทนั้นนับประมาณไม่ได้มีกองอยู่ภายในจิตใจของเหล่านี้ไม่ได้อยู่ที่ไหนสิ่งเหล่านี้แหละที่นำความทุกข์มาให้สัตว์โลกได้รับ อยู่ตลอดมาตลอดถึงตัวของเราเองเราก็ได้รับเช่นเดียวกับโลกทั่วไปเพราะมีสิ่งเหล่านี้ด้วยกันทีนี้เราว่าเราเห็นโทษเห็นโทษอันใดถ้าไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นโทษก็เท่ากับไม่เห็นโทษนั่นแหละการประกอบความเพียรเราอยากรัวทุกยิ่ยงกว่าทุกที่ เี่เลวผิดขึ้นมาให้ได้รับนั่นเป็นทุกข์ที่หนักหงวงทวงจิตใจมาเป็นเวลานานหลายกับหลายกันนับไม่ถ้วนเราไม่สงสัยถึงเรื่องจิตที่เป็นนักท่องเที่ยวหาความสงสัยไม่ได้ตัวนี้เป็นตัวสําคัญมากสิ่งที่จะพาให้จิตดวงนี้ ได้ท่องเที่ยวเกิดนั่นตายนี้ดังที่สมมุติกันนั้นก็คือเชื้อของมัน บ, บังคับขับสายจิตให้ไปสู่ที่นั่นที่นี่นอกจากเป็นเชื้อแล้วยังมีวิบากที่จะพาพาให้จิตนี้ไปเกิดในที่สูงสูงต่ำตำ ร, รุ่มรุ่มดอนดอนมีสุขมากมีทุกข์น้อย มีทุกมากมีสูงน้อยซับปนกันไปตลอดพบตลอดชาติไหนๆมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่นอกเหนือไปจากจิตที่ฝังยาพิษอันเป็นเชื้อให้เกิดอยู่ภายในนี่เลยอันดับต่อไปก็คือวิบาบพาให้เป็นสูงสูงต่ำๆในพบชาติไม่สม่ำเสมอกันเราอย่าไปหาที่อื่นสิ่งเหล่านี้มีอยู่กับใจใจเป็นตัวตัวเหตุใจเป็นตัวเกิดเหตุที่พาให้ใจเกิด ท่านกล่าวไว้แล้วอย่างชาัดเจนว่าอวิชชาปฏิยาสร้างฆ่าราเป็นต้นนี่แหละคือเชื้อแท้เชื้อแห่งวัตจักรไม่มีความอิ่มพอในการเกิดตายก็คือเชื้ออันนี้เป็นต้นเหตุสังอยู่ภายในจิตจากนั้นก็แตกขนแขนงออกไปเรื่อยๆไม่มีสิ้นสุดไม่มีความอิ่มพอวิเลต จ, จึงหาความอิ่มพอภายในใจของศัตว์ไม่ได้มีมากมีน้อยไม่ เดยว่าเพียงพอนี่แหละสาเหตุที่พาให้จิตดวงนี้มาเกิดการที่เราจะจดจำมาเฉยๆนั้นไม่มีทางที่จะทราบความจริงจากธรรมชาตินี้ได้ยิงต้องอาศัยหลักการปฏิบัติในการปฏิบัติเบื้องต้นท่านพยายามให้สังรวมจิตของเราเข้าสู่ความสงบที่เรียกว่าสมถกรรมฐาน ทำจิตให้มีความสงบเยือกเยเ็นกระแสะของจิตที่ส่งไปในที่ต่างๆจะรวมตัวเข้ามาการรวมตัวเข้ามาแห่งกระแสะของจิตเข้ามาสู่จิตดวงเดียวนี้ความเด่นแห่งความรู้นั้นย่อมปรากฏขึ้นได้อย่างชัดเจนตามความสงบของจิตมีมากน้อยต่างกันยิ่งมีความสงบมากความสุขนั้นยิ่งเด่นมากความรู้นั้นยิ่งเด่นมาก นี่แหละความรู้ให้รวมตัวเข้ามานี้ก่อนพอความรู้ได้รวมตัวเข้ามาพอได้รับความสุขความทบายพอมีทางที่จะพิจารณาที้คลายดูกิเลสประเภทต่างๆที่มันไปยึดพาให้ยึดถือที่ตรงไหนตรงไหนมั่งท่านจริงให้พิจารณาทางด้านปัญญาแยกอาการทั้งหลายออกเฉพาะอย่างยิ่งภายในขันของตน มีรูปประขันเป็นสำคัญท่านจึงสอนว่าเกสาโลมานาขาทันตาตะโจไปถึงตะโจแล้วหยุดเพราะเป็นประโยคใหญ่หุ้มห่อทั่วสนมภารร่างกายโรคที่หลอกกันให้ลุมหลงก็เพราะตะโจได้แต่หนังหุ้มหอนี้เท่านั้นหลงกันก็หลงหนังไม่ใช่หลงอะไรนี่เป็นต้นเหตุอันสำคัญเพราะฉะนั้นเวลาสอนมาถึงจุดนี้แล้วท่านจึงหยุด เพราะจะให้พอเหมาะสมกับเวลานั้นในการบุตรกุลบุตรตั้งหลายเราก็นํามาพิจารณาในบนรรดาทำที่ท่านมอบหรือบางงานที่ท่านมอบให้แล้วนั้นถนัดในอาการใดก่อนพิจารณาในอาการนั้นแล้วลี่คลายให้เห็นตามความจริงของมันทุกระยะระยะทุกสัตว์ทุกส่วน ที่แรกจะเห็นส่วนใดก็าตามเพราะสิ่งเหล่านี้เหมือนกันย่อมจะกระจายไปทั่วถึงกันและเป็นความจริงเสมอกันหมดนี่คือปัญญาเมื่อปัญญาได้มีได้พี่คลาออกไปเช่นนี้ย่อมจะทราบเรื่องความยิดมั่นถือมั่นที่ตรงไหนเพราะความสำนคัญผิดของตนการพิจารณาทางด้านปัญญาเป็นเหตุที่จะพี่คลาให้ถึงความจริงเมื่อใจได้รู้ความจริงใน ขันมีรูปประขันเป็นต้นความยึดมั่นถือมั่นที่เคยฝังจมอยู่ภายในร่างต่างๆส่วนต่างๆของร่างกายนี้ย่อมหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามานี่คืออุบายวิธีแก้กิเลสฆ่ากิเลสให้รู้เท่าทันกิเลสท่านสอนให้พิจารณาอย่างนี้นี่เราค้นหาสาเหตุที่พาให้สัตว์เกิดตายมีเราเป็นสำคัญคลี่คลายดูอย่างนี้ จากนั้นก็พิจารณาละเอียดลงไปรูปประคันแรลกละเอียดภายในตนแล้วรูปประคันภายนอกรูปภายนอกก็หมดปัญหาไปพร้อมๆกันเพราะเป็นสิ่งที่เหมือนกันหรือจะนําภายนอกมาพิจารณาเทียบเทียงกับภายในก็ไม่ขัดข้องเพราะเป็นสภาพธรรมเหมือนกันจนเข้าใจแจ่มแจ้งได้อย่างชัดเจนแล้วความยึดมั่นถือมั่นยึดมากเพียงไรก็ถอนตัวเข้ามามากเพียงนั้น ส่วนละเอียดก็เป็นขั้นของปัญญาอันละเอียดเช่นพวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นนามธรรมาก็พิจารณาคลี่คลายไปเช่นเดียวกันนี้สภาพเหล่านี้เป็นเรื่องอนิจจังทุกขังนาตาด้วยกันหมดไม่ปรากฏว่าเป็นจัตเป็นบุคคลแม้แต่ชิ้นเดียวในสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้เมื่อปัญญาได้อย่งทราบตามความจริงนี้แล้ว ก็ต้องถอนตัวเช่นเดียวกันนี่คือหรื้อพบรื้อช่าหรือกิ่งก้านสาขาของอวิชชารือเข้ามาอย่างนี้เพื่อให้ถึงความจริงอันแท้จริงของสิ่งที่พาให้เกิดตายคืออะไรเมื่อได้พิจารณาสิ่งเหล่านี้อย่างชัดเจนแล้วจิดก็ยอ่ยอมตะล่มตัวเข้ามาเรียกว่ากวาต้อนีิเรกเข้ามา เข้ามาสู่จุดรวมจุดรวมของกิเลสประเภทต่างๆรวมอยู่ที่ไหนที่แรกก็สร้างไปอยู่ตามสารพรางร่างกายธาตุขันทั้งรู ป, ปรขันนามขันมีอยู่เต็มไปหมดตั้งแต่กิเลสยั่วเยี้ยเต็มไปหมดแต่เวลาถูกต้อนถูกตีถูกฟาดฟันหันแหลกเข้ามาด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรแล้วย่อมรวมตัวเข้าไป กิเลสประเภทที่ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายอันเป็นประเภทหนึ่งก็ชิบหายไปแล้วตั้งแต่ขณะที่รู้แจ้งเห็นจริงแล้วถอดถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นภายในกายประเภทนี้ก็สลายไปแล้วประเภทที่ละเอียดกว่า น, นั้นก็รวมตัวเข้าไปสู่ขันธ์สี่เมทนาัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณก็ไม่พ้นปัญญาที่จะตีกละลำเข้าไป ผลสุดท้ายก็หมดปัญหาเข้าไปโดยลำดับจนมาทั่งเท่าสู่จิตนั่นไหที่นี่กรารศัพท์ของวัตจักคือวิชานี่ละการพิสูจน์เรื่องการเกิดตายดังพระพุทธเจ้าทรงพิสูจน์มาแล้วจนรู้แจ้งเห็นจริงได้นำความจริงทั้งฝ่ายเหตุแต่ผลออกแสดงแก่สัตว์โลกพระองค์ทาอย่างนี้แน่้นเมื่อเข้าถึงจุดนั่นแล้ว ตัดแล้วกิ่งก้านสาขาไปหมดบริษัทบริวารของกิเลสไม่มีเหลือก็เหลือตั้งแต่อวิชชาปัิยาช่างฆ่าลอันเดียวที่ติดหรือเกาะแน่นอยู่พานในจิตก็ไม่พ้นจากสติปัญญาที่แหลมคมซึ่งจะฟาดฟันหันแหลกการให้แตกกระจายไปจนได้นเมื่อถึงขั้นที่จะ ทำลายอาวิชาปัิญาสร้างข้ารานั้นรอไว้ไม่ได้เพราะไม่มีสิ่งสัมผัสสัมพันธ์ไม่มีสิ่งที่จะรบจะฆ่าฟันหันแหลกกันอีกต่อไปแล้วนอกจากนั้นราบไปหมดที่เหลือปัญหาอาสวะที่ไปเกาะอยู่ตามรูปเสียงกลิ่นเครื่องสัมผัสรูปเวทนาสัญญาสร้างขานวิญญาณได้ถูกทำลายมาเป็นลําดับกว่าดต้อนมาเป็นลาดับถ้าเข้าสู่จุดนั้นที่จะน่าจุดนั้นลงไป เพราะนั้นก็เป็นสมมุติคำว่าสมมุติก็จะต้องมีอนิจจังทุกขังนาตาอยู่ในตัวของมันพราพมูลเช่นเดียวกับสมมุติอย่างมือเหมือนสติปัญญาได้อย่างเข้าถึงจุดนั้นจนแตกกระจายไปแล้วพบชาติมันหายไปไหนทําไมจะไม่รู้เราเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อรู้ตามความจริงด้วยการปฏิบัติจริงอยู่แล้วทําไมจะไม่รู้มีการพิสูจน์เรื่องความเกิดตาย ในพบชาตินั้นนั้นพิสูจน์อย่างนี้เมื่อได้เข้าถึงขั้นความจริงเต็มภูมิแล้วสงสัยที่ไหนเคยเกิดเคยตายมาเพราะอะไรก็ทราบแล้วว่าเพราะเหตุนั้นทีนี้หมดแล้วเรื่องความเกิดตายนี้หมดที่ไหนก็หมดที่จุดที่รู้อย่างเต็มที่แล้วนั้นไม่มีอะไรอีกแล้วตังนี้ตั้งแต่นี้ต่อไปอดีตก็ตัดขาดอนาคตก็รู้เท่าทันปัจจุบันก็ไม่หยุด เห็ตามควำเป็นจริงโดยตลอดทั่วถึงนั่นแลคือผู้ทําลายภพทําลายชาติทีนี้เขมีภาษิตบทหนึ่งที่แสดงขึ้นมาว่าดุกขั้งนัตถิอาชาตัดสักทุกย่อไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดผู้ไม่เกิดนั้นเป็นผู้ศูญย์ผู้สิ้นไปไหนอืผู้ไม่เกิดก็คือผู้บริสุทธิ์ความบริสุทธิ์นั่นแหลคือธรรมชาติที่พิเศษที่อยู่เหนือโลกสมมติทั้งหมด เรื่องกิเลสทันหาอสวรรที่เคยครอบงาอยู่แต่ก่อนได้แตกกระจายไปหมดเพราะอํานาจของสติปัญญาสติธรรมปัญญาธรรมได้ฟาดฟันทละ ก, กันลงไปทีนี้ก็หายสงสัยแล้วสิเอาอะไรมาสงสัยเพราะเรื่องทั้งหมดมันอยู่กับตัวของเราความสงสัยคือเรื่องของกิเลสแต่ความสงสัยหมดโดยสิ้นเชิงแล้วกิเลสก็หมดไปพร้อมๆกันหรือแต่ธรรมะที่บริสุทธิ์ จิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตอันเดียวเท่านั้นจะหาอะไรจิตปัญหาทั้งมวลก็สิ้นสุดลงเพียงแค่นั้นนั่นแหละงานของเราที่ตั้งแต่เริ่มแรกประพฤติปฏิบัติมาตั้งแต่เบื้องสารลมานะขาตันตาแตจกวันนี้อธิบายอย่างย่อๆย่ยนๆเข้ามาในการพิสูจน์เรื่องความเกิดเจ็เจ็บตายซึ่งมีจุดประจําจิตจิตเป็นตัวการท่องเที่ยวอวิชชาปยาสรางขารา ไปจนตัวเหตุตัวปัจจัยหมุนกันออกมาโดยลําดับําับจ้าท่านจึงเรียกว่าวัฏจักรมันหมุนตัวของมันอยู่ตลอดอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆไม่ได้เมื่อทําลายทำวัฏจักรนี้ออกแล้วด้วยธรรมะจักรคือสติปัญญาหมุนติวแล้วจากนั้นก็เป็นวิวัฏจักรหยุดความหมุนแล้วหมุนด้วยกิเลส ก, ก็หมดไปหมุนด้วยทำเครื่องแ ก, ก้กิเลส ก, ก็หมดไปเพราะกิเลสสินไปแล้ว ทำมาจากเครื่องฟาดฟันทันแที่หมุนตามที่เดกเขหมดไปยุติกันทั้งสองอย่างกลายเป็นมีวัตถจักรขึ้นมาภายในจิตดวงนั้นนี่การปฏิบัติธรรมของผู้เผยเจ้าอะไรจะจริงแน่ยิ่งกว่านี้ไม่มีสาขาธรรมแต่ไม่ชอบแล้วชอบอย่างนี้เองอุบาสวิธีการต่างๆท่งสอนไว้อย่างพร้อมหมดหมดแล้วนิยานิกระทามนำผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมที่ทรงสอนไว้แล้วนัน้ให้พ้นจาก เครื่องผูกมัดรัดลึงอันเป็นตัวทุกข์ทั้งหลายออกโดยลําดับดับจนสิ้นไปโดยสิ้นสิ่งเชิงไม่ ม, มีสิ่งใดเหลืออืแล้วไปหามากุฎนิพพานที่ไหนคาดที่ไหนกิเลสมันอยู่ที่ไหนเวลานี้ความคาดความร้นเดังคืออะไรความสงสัยสนเท่คืออะไรถ้ามัใช่เรื่องของกิเลสแล้วมันก็มาหลอกเราให้ล่มจมไปตามมันอีกความเพียรที่ตั้งท่าต่างทางว่าจะประกอบ ให้เป็นเนีเนเนเน่เป็น เ, เป็นเม็ดเต็มหน่วยก็ถูกกิเลสกล่อมและทําลายให้แหลกเสมอเหลือแต่ตัวเราแค่เฉยไม่เกิดประโยชน์อะไรเอาให้จริงทีนักปฏิบัติธรรมอาวุธยาเป็นของจริงทุกอย่างไม่ใช่เป็นของหลอกลวงผู้ปฏิบัติจึงไม่ควรมาหลอกลวงตนเองด้วยอำนาจของกิเลเสเชี่อมสอนหรือกระซิบกระซาบต้องยกธรรมขึ้นต่อสู้เสมอ จึงจะได้เหตุได้ผลอยู่ที่นั้นอย่าเผลอสติอยาเห็นสิ่งได้ยิ่งกว่าจิตจิตเป็นสมบัติอันล้นค่าแต่เวลานี้เป็นจิตที่ต่ําสามก็เพราะเชิงต่ําสามมันครอบจิตอันนั้นจึงหาคุณค่าไม่ได้สุดท้ายก็ไปเห็นอันนั้นดีอันนี้ดีไปหมดเพราะเราไม่มีของดีมีแต่ของชั่วของต่ําสามครอบอยู่ตลอดเวลา เมื่อชำระสะสามสิ่งนี้แล้วไม่ต้องบอกจิตจะเด่นขึ้นโดยลำดับลำดับตามคุณภาพของตนและเด่นขึ้นจนเต็มดวงอะไรจะเลิศยิ่งกว่าจิตดวงที่เด่นขึ้นอย่างเต็มดวงด้วยความบริสุทธิ์นี้เล่าในโลกทั้งสานี่ไม่มีอะไรเสมอแล้วนี่แหละการดําเนินปฏิปทาตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วหมดงานของเราที่เคยได้รับความทุกข์ความลำบาก เพราะการต่อสู้กับกิเลสมาโดยลำหนักหนักเบามากน้อยมายุติกันลงที่จุดนี้เรื่องความทุกข์ในท่านในขันธ์คลยๆก็ยอมรับด้วยกันแต่ผู้บริสุทธิ์ยอมรับความทุกข์ในขันธ์เพียงรับทราบเท่านั้นไม่ได้รับด้วยความแบกความหามด้วยความยึดมั่นถือมั่นถึงกับต้องเป็นโรคชนิดหนึ่งขึ้นมาภายใน จ, ใจิตใจให้เสียดแทงจิตใจมากยิ่งกว่าโรคทางกายท่านผู้ที่รู้เท่าทันแล้วไม่เป็นอย่างนั้น ทุกจะเกิดขึ้นมากน้อยก็ได้เรียนแล้วเข้าใจหมดแล้วว่าทุกขังอริยสัจจังเป็นของจริงตามส่วนแห่งทุกเป็นความจริงของจริงตามส่วนแห่งสมุทยัยเป็นของจริงตามส่วนแห่งมากเป็นของจริงตามส่วนแห่งนิโรธผู้ที่รู้เท่าสิ่งที่เป็นของจริงทั้งหลายเหล่านี้คือผู้บริสุทธิ์นะค้าเข้ า, ขากันที่ไหนเมื่อถึงต่างอันต่างจริงแล้วเป็นอย่างนั้นไม่ได้เป็นข้าสึกต่อกันอีก ตายก็ยอมตายทุกยากลําบากแค่ไหนาก็มันก็เท่าเท่านั้นแหละทุกคเวทนามันก็ไม่เลยตายแล้วก็ไม่สามารถที่จะ แ, แทรกแซงซึมซาเข้าไปถึงจิตให้รับความกระทบกรเทือนได้เองไปได้ถ้ารู้เรียนรู้ให้จบถึงเรื่องสัตรธรรมทั้งกี่นี้แล้วย่อมคงเส้นคงวาภาน จ, จิตใจภาระทั้งมวลในการประกอบความาพักเพลินก็เป็นอนุวัติจิตพลนไปนี่งานทางด้านธรรมะ มีความสิ้นสุดยุติลงได้อย่างนี้เมื่อทําให้เต็มที่เต็มฐานเป็นตัวติดกาลังความสามารถจนถึงถึงจุดแห่งความสิ้นสุดของสมมติแล้วงานทั้งหลายที่เคยประกอบมาก็ยุติได้นอกจากงานไปตามเรื่องตำราธรรมดาเท่า น, นั้นไม่ใช่งานฆ่ากิเลสไม่ใช่งานถอดถอนกิเลสก็ทําหน้า พวกเราปฏิบัติวิตตภาวนากันทําอย่างไรไหนมีงานอะไรมีแต่งานภาวนาทำามมันไม่ได้เหตุได้ผลพความหลาะแหละความแขลนหนึ่งเป็นสําคัญความอยากได้ความสุขตามความหลอกลวงของกิเลไม่เป็นความสุขโดยอัดโดยธรรมทุกข์ก็ให้ทุกข์โดยธรรมทุกข์ด้วยความเพียนเป็นธรรม สุขก็ให้สุขโดยทำเพราะผลที่เกิดขึ้นจากความเปลี่ยนนั้นทำจิตให้เป็สุขยาได้สุขเพราะความที่เกียดขี้ค้านอ่อนแอซึ่งเป็นเหมือนกับเขาอาหารมาให้หมูกินนะครก่อนหน้าที่เขาจะนำไปฆ่าเท่านั้นเป็นประโยชน์อะไรนี่ก็เหมือนกันอย่าทำให้กิเลสมีหัวเราะเรามาปฏิบัติเพื่อให้สิ่งที่เป็นค่าสุดนี้ หลุดลอยประจากใจทำไมจึงจะกลายเป็นเรื่องสั่งสมความทุกข์กขึ้นมาสั่งสมกิเลสขึ้นมามันก็ขัดต่อหลักธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าว่าเป็นฆ่าสิทธฆ่าสิทนั้นอะไรเป็นฆ่าสิทิกิเลสมันเป็นฆ่าสิทกับธรรมเป็นมาตั้งแต่การไห น, ไหนเมื่อเป็นฆ่าสิทิกับธรรมแล้วกิเลสอยู่ที่ไหนธรรมอยู่ที่ไหนกิเลสมันอยู่กับใจ ทำถ้าเกิดก็เกิดที่ใจมีที่ใจแล้วกิเลสกลับมาเป็นค่าศึกต่อใจกลับมาเป็นค่าศึกต่อธรรมพท้เองเราจะหวังผลประโยชน์จากอาหารเราเองเป็นค่าศึกต่อเราเป็นค่าศึกต่อศาสนาธรรมที่พระเจ้าทรงสอนเราเรียบร้อยภายในหัวใจของเราแต่กรรมให้กิเลสมาย่ํายีตีแหลกไปหมดมีอะไรเป็นผลที่จะพึงพอใจสำหรับเรานักปฏิบัติเราคิดให้ดีนักปฏิบตัติอย่าหลงไปตามโลกตามทุกขาร ซึ่งเป็นเรื่องกลุญมมาาของกิเลสทั้งนั้นเวลานี้กิเลสกําลังแผ่นูภาพมากเห็นได้อย่างชัดเจนด้วยสายหูสายตาของเราไปที่ไหนไม่สงสัยดูแคบเดียวก็รู้ถ้าเป็นผู้ได้เคยผ่านเป็นผู้ที่เคยเคยต่อสู้กับกิเลสมาอย่างเต็มที่แล้วกิเลสแสดงออกในแง่ใดมุมใดไม่ว่ากับฉัตรกับบุคคลรู้ทั้งนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้เคยฝังอยู่ในหัวใจเรามานานและเคยต่อสู้กันมา ถึงข น, นาดไหนเราทราบมันแล้วนถ้าเราไม่เคยกับเรื่องเหล่านี้แล้วเราจะไม่เห็นมันอาการทั้งหลายแสดงออกเป็นกิเลสหรือเป็นอะไรอยากจะพูดว่าร้อยทั้งร้อยมันเป็นกิเลสทั้งมวลในการแสดงออกจากกิริยาของสัตว์ของบุคคลไม่มีธรรมที่จะแผวพ ร, า ว, พราวขึ้นมาให้พอได้ชมบ้างเลยแม้ที่สุดในขณะประกอบความเพียรอยู่ก็มีกิเลมันแผ่อานาจตลอดเวลา เราจะหาทำรร ม, มาเป็นสง่าราศีประดับจิตใจของเราให้มีความสวยงามได้อย่างไรต้องเอาให้ทันเยีเลศเลยสะติปัญญาพระพุทธสอนอยู่ตลอดเวลามีทุกคำพีตาจะจากสติปัญญาที่ไหนนี่แหละทํามนันสาคัญเครื่องทิ่ให้รู้เรื่องของข่าสุขที่มีอยู่ภายในจิตใจของเราเอาให้จริงให้จังขุดลงภายในจิต การปฏิบัติภาวนาให้ดูจริตนิสัยของตนเหมาะกับการพิจารณาอย่างไรแล้วก็พิจแปงเปลี่ยนแปลงเสมอด้วยอุบายวิธีความฉลาดท่องเราแม้นั้นไม่ทันทุกิเลสพอทําไปทําไปมันก็ชินชาก็มีเมื่อยังไม่หลักได้เกณฑ์มากจะชินชาต่อความเปลี่ยนของตนแล้วก็กลายตุกิเลส ข, ขึ้นแทรกขึ้นมาภายในนั้นโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเพราะมันแหลมคมมากกิเลสไม่มีอะไรแหลมคมยี่กว่ากิเลสในโลกทั้งสามนี้ แล้วในขณะเดียวกันก็ไม่มีอะไรที่จะแหรมคมเหนือกิเลสเหมือนธรรมอีกแหละธรรมจึงปราบกิเลสได้นอกนั้นไม่มีอะไรจะปราบกิเลสได้แหละเพรา ะ, ะนั้นจงเทิดทูนธรรมนี้ขึ้นวิริยะธรรมคือความภาคเพียรขันติธรรมอดกล้านขันติชาติธรรมปัญญาธรรมเอานํามาใช้เสมอให้ติดแนบกับตัวเองอย่าได้ปล่อยวาง ธาตุขันเรานี้มีแต่เรื่องมันจะค่อยแก่ค่อยชราลงไปผลสุดท้ายก็กองลงไปในธาตุเดิมเป็นดินเป็นน้าเป็นลมเป็นไฟอะไรที่เป็นสาระสําคัญที่เราจะได้เป็นเครื่องยึดเครื่องถือเป็นเครื่องพึ่งพิงของใจและอะไรที่จะที่ท่านเรียกว่าใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจจะเป็นสมบัติของผู้ใดถ้ามันเป็นสมบัติของผู้ปฏิบัตินี้ไม่มีทางที่เป็นของผู้อื่นใดได้เลยนี่เวลานี้เราพร้อมแล้วด้วยความเป็นสมณะ เป็นนักบวชและพร้อมแล้วที่จะเข้าแนวรบได้ทุกวิถีทางความเพียรทุกด้านพระพุทธเจ้าทรงทดสอบเรียบร้อยแล้วว่าเหมาะกับมนุษย์เฉพาะอย่างยิ่งเหมาะกับนักปฏิบัติทําไมความภากเพียรทุกวิถีทางที่จะฆ่ากิเลสจึงจะเหลือวิสัยเราทําไม่ได้มีอย่างเลยพระพุทธเจ้าท่านเป็นใครท่ามนมาได้เป็นเทบุตรเทวดามาจากที่ไหนเป็นคนเหมือนกันกับเราสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นมนุษย์เหมือนเรากิเลสของท่านกับกิเลสของเราประเภทเดียวกัน แล้วท่านแก้กันได้อย่างไรท่านถึงได้เป็นวิเศษเป็นผู้วิเศษวิโสว่าพุทธังธรรมังสังฆังสนางขจามีควรแก่ความเป็นศรณะถ์ากเป็นฝากตายของโลกแห่งชาวพวกเราล่เราทําไมจะไม่เป็นสนังขจามีสําหรับเราได้ด้วยอัตธรรมของพุทธเจ้าเป็นไปได้หรือเราเป็นนักบวชแท้ๆจะให้เป็นไปรยชน์เลีวไหลเลีวแหลกต้องเอาให้จริงให้จังสลนักปฏิบัติให้เป็นสนังขจามีของตนได้ด้วยความเพียรข้องตนเมื่อ ถึงสงร้างคัตฉามิในตัวเองแล้วอยู่ที่ไหนอยู่เถอะไม่มีหวันมีหวันมีเสียวมีวุ่นวายกับอดีตและอนาคตแล้วมันพอตัวอยู่ในหลักปัจจุบันคือจิตเนี่ยทำมีความพอไม่เหมือนโลกไม่เหมือนกิเลสตัณหาที่วันนัดกิเลสตัณหาสมานาทีมแม่น้ำํำมหาสมุทรทะเลก็ไม่ได้ลึกความขวางยิ่งกว่ากิเลสตัณหาอาชวะทันว่า เมื่อเข้าถึงทำเป็นลําดับๆจนกระทั่งถึงขั้นถึงทำพอตัวแล้วพอดีไม่มีความหิวความโหยความโกรงกระไว้ทำมีความพอส่วนยิเลสไม่มีความพอเผาได้วันยังคาคืนยังรุ่งเช่นเดียวกับไฟไม่พอในชื้อตั้งหลายออกมาเท่าไหรเป็นเผาไหมแหลกหมดยิเลศก็เหมือนกันทําตามมันเท่าไรก็เผาแหลกไปเท่านั้นที่จะให กิเดสพาคนเราอยู่ในพอความพอดีพอดีเป็นไปไม่ได้ไม่ว่าปู่ย่าตายายของกิเลสไม่ว่าลูกเต่าพ่อแม่หลานเลนของกิเลสเป็นประเภทเดียวกันทั้งนั้นเป็นประเภทที่พาสัตว์โลกให้หิวห่ ว, ก ว, กหวยกวนก歪หาความพอดียับยั้งตัวไม่ได้นอกจากธรรมเท่านั้นจะเป็นเพื่อนยับยั้งตัวได้เพราะฉะนั้นจึงพยายามสร้างธรรมที่จะเป็นเครื่อนยับยั้งให้ถึงความให้ถึงความพอหรือเมืองพอเป็นหัวใจนี้ ด้วยความภากเปลี่ยนของเราอย่าลดหน้าท้อถอยเอาให้จริงให้จังสาระสําคัญอยู่ที่จิตอยู่ที่ความเพียรที่จะทําจิตให้มีสาระอยู่ที่ไหนอย่าได้เผลอให้มีสติสตังบังคับตนเองอย่าเสียดายสิ่งใดในโลกนี้มีแต่เรื่องอนิจจงทุกขังหน้าตาไปหมดเสียดายอะไรอเอาให้ถึงแดนแห่งปราศจากอนิจจงทุกขังหน้าตาสิคืออะไร แดนหนังสันติดธรรมอนราบคาในเกี่ยวความมีสุขท่องใจนั่นแหละตรงนั้นไม่มีธรรมะจริงจังทุกขังาตาเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ได้นั่นแหละที่ว่าความสุขความเย็นใจอันหาอะไรเสมอเหมือนไม่ได้ก็เพราะมันมีอะไรเข้าไปควรขึ้นจิตว่าสมมุติมากน้อยไม่มีปัญหาแม้จะสัมผัสสัมพันธ์กันทางตาหูจมูกร่างกายของเราในเวลาทรงขันอยู่ก็ตามก็เพียงแต่ศักว่ารับทราบรับทราบเท่านั้นไม่สามารถที่จะไปซึมทราบถึงตํา หักธรรมชาติที่พอตัวแล้วนั่นได้เลยนั่นคือว่าพอไม่หิวไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยินไม่อยากฟังไม่อยากอะไรภายในจิตพอแล้วทุกอย่าง<ม>พออยู่ที่จีดเอาให้ถึงเมืองพอ<ม>หิวไง ห, หิวความเพียรอย่าไปหิวเรื่องตามที่เดฐานะซะว่าถ้าหิวเพื่ออัดเพื่อทําให้เต็มเมตเต็มหน่วยดื่มลงไปด้วยความรุ้ษาพยายามท่องความภาคความเปลี่ยนเป็นก็เป็นตายก็ตายโลกนี้มีป่าช้า ผู้ประกอบความเพียรจนถึงขั้นตายก็ยังไม่เคยได้เห็นมันเห็นสักทีว่ะมันเป็นยังไงความทุกข์นี่ที่มันเป็นมาในชาติในขันในภพชาตินั้ น, น, นอันติดเนี่ยมากับจิตกับวิชานี่สงสัยที่ไหนดูปัจจุบันนี้ก็รู้ย้อนสะท้อนไปหมดอมกายแสนกายทั้งหลาก็คือออกจากหลักปัจจุบันที่เป็นอยู่เวลานี้นี่ยังดีเราเป็นชาติมนุษย์ยิ่งเป็นชาติอบายยมุกด้วยแล้วจะเป็นยังไงความทุกข์จะขนาดไหนนับความทรมานขนาดไหนคิดดูสิ เกิเป็นมาแล้วด้วยกันทั้งนั้นสงสัยอะไรในจริงเหล่านี้ซึ่งเคยผ่านมาแล้ววิสุทธิธรรมเรายังไม่เคยผ่านนี่อืมเอาสิตั้งแต่สมาธิขึ้นไปถึงขั้นปัญญาไอา้ผ่านไปตามทางสายธรรมเลยเมื่อถึงวิสุทธิธรรมแล้วพอทุกอย่างไม่สงสัยไม่วุ่นวายอยู่เย็นเป็นสุขสุขข้างวัฏฐ์สุขข้างวัฏฐ์อยู่ไหนก็สุกเนอสุกหนอสุกไม่จืดไม่จางสุดไม่มีคําว่าเหยียดว่าแห้ง นจังทุกขน้าตาไปทำลายสุขประนั้นไม่มีนี่อานมันจริงจังในกปัจจิบัติต่อไปนี้ท่านปัญญาอธิบาย ห, หมู่เพื่อนฟัง